ทางหลวงมานล่อให้ ทุกทนชีวิตว่ายเวียนบนนรกร้อนทางรอดพรอดด้วยกมลคงมั่นทาเหยสลัดกิเลสซ่อนซ้อนที่ผลทุกระทม จเจริญธรรมท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสรรันติซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำรงรักษาบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนทพุทธอนุชาครั้งที่หนึ่ง จากปลายปากกาธรรมลิคิดของวสิณอินทศละขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สมณะทั้งสองเดินดุ่มผ่านทุ่งกว้างเข้าสู่เขตป่าโปรง่งมีทางพอเดินได้สะดวกสมณะซึ่งเดินนำหน้ามีอินทรีย์ผ่องใสมีสายตาทอดลงต่ำผิวขาวละเอียดอ่อนลักษณะแสดงว่ามาจากวันณะสูงอากับเกลียและท่าทีเยื้องย่างหน้าทัศนา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 และไม่ชิดจนเกินไปทั้งสองเดินมาถึงทางสองแพร่งเมื่อสมณะผู้เดินหน้ามีอาการว่าจะเลี้ยวไปทางขวาสมณะผู้เดินหลังก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ต้องการจะไปทางซ้ายพระเจ้าข่าอย่าเลยนาขะสมมาละ ตถาคตต้องการไปทางขวาเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องไ ป, ปโปรดสัตว์ทางนี้ข้าพระองค์ต้องการไปทางซ้ายพระเจ้าข่าพระนาคสมาระยืนยันอย่าเลยนาคสมาระมากับตถาคตทางขวานี้เถิดพระผู้มีพระภาค ข, ขอร้อง พระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งแต่พระนาคสมาละก็หายอมไม่ในที่สุดท่านก็วางบาทของพระผู้มีพระภาคไว้ในทางสองแพร่งแล้วเดินหลีกไปทางซ้ายตามความปรารถนาของท่านพระจอมุนีสักะยบุตรต้องนำบาทของพระองค์ไปเองและเสด็จไปโดดเดี่ยว อีกครั้งหนึ่งพระเมคียะเป็นพระอุปถาคพระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จไปยังชันตุคามเคปาจีนวังสัตมีพระเมคียะตามเสด็จเวลาเชา้าพระเมคียะไปบินทบาทในชันตุคามกลับจากบินทบาทแล้วท่านเดินผ่านสวนมะม่วงอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งปรารถนาจะไปบาเพ็ญสมณธรรมที่นั่น จึงกราบทูลขออนุญาตพระพุทธองค์พระพุทธองค์รทร ง, งห้ามถึงสามครั้งว่าอย่าพิ่งไปเลยเมขียะเวลานี้เราอยู่คนเดียวขอให้ภิกษุอื่นมาแทนเสียก่อนแล้วเธอจึงค่อยไปความจริงพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยของพระเมขียะว่ายังไม่สมควรที่จะไปจึงไม่ทรงอนุญาต อาใช่เพราะทรงคำนึงถึงความลำบากไม่และไม่ใช่พระองค์จะไม่ทรงเห็นความจําเป็นในการบําเพ็ญสมณธรรมเกี่ยวกับเรื่องสมณธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมให้ภิกษุกระทําอยู่เสมอพระเมธียะไม่ยอมฟังคําท้วงติ่งของพระพุทธองค์และทิ้งพระองค์ไว้แล้วไปสู่สวนมอุอันร่มรื่น บำเพ็ญสมณะธรรมทำจิตให้สงบแต่ก็หาสงบไม่ถูกวิตกทั้งสามรบ ก, กวนจนไม่อาจให้สงบได้เลยวิตกทั้งสามนั้นคือกามวิตตกความตรึกเรื่องการพยาบาทวิตกความตรึกในทางปองร้ายและวิหิงสาวิตตกความตรึกในทางเบียดเบียนในที่สุด จึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พระพุทธองค์ทรงเตือนว่าเมธียะเอยจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแกงรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาจึงพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนและเป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงเมธียะเอยจิตนี้ คอยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปพลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำถูกในพลานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นลงไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาจึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยในกามคุณให้ละบ่วงมานเสีย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 พระราธะบางคราวพระนาคสมาระและบางคราวพระเมขียะที่กล่าวแล้วบางคราวก็เป็นสำมเนิจุนทะน้องชายพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคได้รับความลาบากด้วยการที่พระภิกษุผู้อุปถากไม่รู้พระไทยของพระองค์ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆถ้าจะมีผู้สงสัยว่าเหตุชนไหน พระพุทธเจ้าจึงต้องมีพระอุปถาประจำด้วยดูดูก็จะไม่เป็นการยังถือยศถือศักดิ์ถือฐานะอยู่หรือเรื่องนี้ถ้าพิจารณาด้วยดีจะเห็นความจำเป็นที่พระองค์จะต้องมีอุปถาประจำหรือผู้รับใช้ใกล้ชิดเพราะพระองค์ต้องทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ต้องมีการประชุมสงฆ์เป็นคราวๆและต้องต้อนรับขลือหัดบรรพชิตมากหลายที่มาเฝ้าเพื่อถวายปัจจัยบ้างเพื่อทูลถามปัญหาข้องใจบ้างในบรรดาผู้มาเฝ้าเหล่านั้นที่เป็นมาตุคามก็มีมากจะเห็นว่าพระองค์ไม่ควรประทับอยู่แต่ลำพัง แต่ก็มีนานๆครั้งที่พระาศาสดาทรงหลีกพระองค์ไปประทับแต่ลำพังในระยะนั้นเป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ไม่ทรงต้อนรับผู้ใดทรงหลีกเล็นเพื่ออยู่แสวงหาความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหาร ด้วยประการดังกล่าวมานี้จึงคราวหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากมีพระสารีบุตรพระโมคคานะเป็นต้นมาประชุมกันพร้อมพระผู้มีพระภาคทรงปรารพในถ้ำกลางสงว่า บัดนี้พระองค์ทรงพระชราแล้วภิกษุผู้อุปถัก์พระองค์บางรูปก็ทอดทิ้งพระองค์ไปเสียเฉยๆบางรูปวางบาทและจีวรของพระองค์ไว้บนพื้นดินแล้วเดินจากไปจึงขอให้สงเลือกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นรับตำแหน่งอุปถัก์พระองค์เป็นประจำภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสนี้แล้ว มีความสังเวชสลดจิตอย่างยิ่งพระสารีบุตรกราบบังคมทูลขึ้นก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีดวงตาของโลกข้าพระพุทธเจ้าขออาสารับเป็นอุปถาคปฏิบัติพระองค์เป็นประจำขอพระผู้มีพระภาคอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าพระองค์เป็นอุปถาคเถิดพระผู้มีพระภาค ตรัสตอบขอบใจพระสารีบุตรแล้วตรัสว่าสาลีบุตรอย่าเลยเธออย่าทำหน้าที่อุปถากเราเลยเธออยู่ณที่ใดที่นั้นก็มีประโยชน์มากโอวาทคําสั่งสอนของเธอเป็นเหมือนโอวาทของพระพุทธเจ้าเธอสามารถหมุนธรรมจักรให้เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน ผู้ที่สนทนากับเธอเหมือนได้สนทนากับเราต่อจากนั้นพระมหาเถรรูปอื่นๆต่างก็แสดงความจำนงจะเป็นอุปถากปฏิบัติพระพุทธองค์เป็นประจำแต่พระองค์ทรงห้ามเสียทั้งสิน้นเหลือแต่พระอา น, นุนเท่านั้นที่ยังคงนั่งเฉยอยู่พระสารีบุตรจึงกล่าวเตือนพระอา น, นุนขึ้นว่า อานน์เธอไม่เสนอเพื่อรับเป็นอุปถาพระผู้มีพระภาคหรือทำไมจึงนั่งเฉยอยู่ข้าแต่ท่านธรรมเสนาบดีพระอานนตอบอันตำแหน่งที่ขอได้มานั้นจะประเสริฐอะไรอีกประการหนึ่งเล่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบอธิยาศัยของข้าพเจ้าอยู่ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ ก็คงจะตรัสให้ข้าพเจ้าเป็นอุปถาของพระองค์เองความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วที่ประชุมเงียบไปครู่หนึ่งไม่มีผู้ใดไหว้กายหรือวาจาเลยเงียบสงบเหมือนไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ณที่นั้นเลยภิกษุทุกรูปนั่งสงบ ไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือจามหรืออาการกระดุกกระดิกพระผู้มีประภาคตัดขึ้นท่ามกลางความเงียบนว่าภิกษุทั้งหลายอานนุ์มีความประสงค์ที่จะอุปถักเราอยู่แล้วเป็นเพียงขอให้สงรับทราบเท่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอานนุนจกอุปถักเรา เป็นความรอบคอบสุ ข, ขุมของพระผู้มีพระภาคที่ตรัสเช่นนั้นความจริงหาพระองค์จะไม่ตรัสในที่ประชุมสงฆ์แต่ตรัสเฉพาะพระองค์เองพระอานนุ์ก็พอใจที่จะอุปถากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาแต่เพื่อจะยกย่องพระอานนุ์และให้สงรับทราบในอัธยาศัยของพระอานนุ์พระองค์ จึงปรารบเรื่องนี้ท่ามกลางสงฆ์ความเป็นจริงพระอานนท์ได้สังสมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติเพื่อตำแหน่งอันมีเกียดนี้ พระอาณุนเป็นผู้รอบครอบมองเห็นการไกลเมื่อพระผู้มีพระภาคและสงมอบตาแหน่งนี้ให้แล้วจึงทูลขอเงื่อนไขาบางประการดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นนาถาของโรคเมื่อข้าพระองค์รับเป็นพุทธอุปถากแล้วข้าพระองค์ทูลขอพระกรุณาบางประการคือหนึ่ง ขอพระองค์อย่าได้ประทานจีวรอันประนีตที่มีผู้นำมาถวายแก่ข้าพระองค์เลย2ขอพระองค์อย่าได้ประทานบินทบาทอันประนีตที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์3ขอพระองค์อย่าได้ให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ที่เดียวกันกับที่พระองค์ประทับ4 ขออย่าให้พาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ซึ่งพระองค์รับไว้ดูกอ่อานน์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงของเงื่อนไขสี่ประการนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลขอพรสี่ประการนี้เพื่อป้องกันมิให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าข้าพระองค์รับตำแหน่งพุทธอุปถา เพราะเห็นแก่ลาบสการะพระอานนุนยังได้ทูลขึ้นอีกในบัดนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้ออื่นยังมีอีกคือห้าขอพระองค์โปรดกรุณาเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ซึ่งข้าพระองค์รับไว้เมื่อพระองค์ไม่อยู่หกขอให้ฆ่าพระองค์ ได้พาพุทธบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่เขามาเพื่อจะเฝ้าเจ็ดข้าพระองค์มีความสงสัยเรื่องใดเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามได้ทุกโอกาสอา n o ์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพรสามประการนี้ข้าพระองค์ทูลขอ เพื่อป้องกันมิให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าข้าพระองค์บำรุงพระองค์ดูทําไมกันเรื่องเพียงเท่านี้พระองค์ก็ไม่ทรงสงเคราะห์ข้าแต่พระจอมุนีข้ออื่นยังมีอีกคือ 8. ถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาในที่ใดแก่ผู้ใดซึ่งข้าพระองค์มิได้อยู่ด้วยขอได้โปรดเล่าพระ ธ ร, รมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งอานน์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพรข้อนี้ข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์ทูลขอพรข้อนี้เพื่อป้องกันมิให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าดูเถิดพระอานนท์เฝ้าติดตามพระาศาสดาดูเหมือนเงาตามตัวแต่เมื่อถามถึงพระสูตรหรือชาดก หรือคาถาว่าสูตรนี้ชาดกนี้คาถานี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ใครที่ไหนก็หารู้ไม่เรื่องเพียงเท่านี้ก็ยังไม่รู้จะมัวติดตามพระาศาสดาอยู่ทำไมเหมือนกบอยู่ในสะบัวแต่หารู้ถึงเกศรบัวไม่พระพุทธองค์ทรงประธานพรทั้งแปดประการ แกพระอานนต์พุทธอนุชาตามปรารถนาและพระอานนต์ก็รับตำแหน่งพุทธอุปถากตั้งแต่บัดนั้นมาพระผู้มีพระภาคมีพระชนมายุได้55พรรษาเป็นปีที่20จําจำเดิมแต่ตรัสรู้ส่วนพระอานนต์อายุได้ห5ปีเช่นกันแต่มีพรรษาได้19จําจำเดิมแต่อุปสมบท